มาดูข้อความในวิสุทธิมรรคต่อไปอีกนะ <c oughs> พูดถึงการแบ่งร้อยปีเนี่ยนะเป็นเท่าไรกันนี่แบ่งเป็นสิบนะสิบสิบครั้งคั้นในข้อเจ็ดร้อยแปดกล่าวว่าพระโยคาวจรครั้นยกขึ้นสู่ตรยลักษณ์โดยการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัย โดยเกี่ยวกับเป็นปฐมวัยเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็ยังยกขึ้นสู่ไตรไลัลษณโดยการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัยโดยเกี่ยวกับทศกะสิบเหล่านี้คือ น, นะก็คือมันท่าทศกะแปลว่าระยะเวลา1ิปีที่เป็นเด็กอ่อนคิดดาทศกะคือช่วงสิบปีที่ยินดีแต่การเล่น คือยี่สิบปีแห่งการเล่นแล้วก็วันณทศกะลสิบปีที่มีผิวพรรณสมบูรณ์แล้วก็พาะทศกะลสิบปีที่มีกําลังส่วนปัญญาทศกะก็คือสิบปีที่มีปัญญาหานิทัศกะก็คือสิบปีที่มีแต่ความเสื่อมปัปภารทศกะก็คือช่วงสิบปีที่มีร่างกายโน้มไปแล้วก็ วังกะทัศกะก็สิบปีที่มีร่างกายโค้งงอมมูหะทัศกะก็คือส0บปีที่มีแต่ความหลงลืมสยนาทัศกะส0บปีที่เอาแต่นอนก็ลุกไม่ไหวแล้วมาแบ่งว่าว่าสำหรับบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ร้อยปีก่อนแบบนี้เอาเอาถือเอาเป็นยุคมาตรฐานเนี่ยนะมนุษย์ มีอายุประมาณร้อยปีว่าสิบปีแรกเนี่ยนเะชื่อว่ามันมันดะทศกัแปลว่าอยู่ในช่วงเวลาเป็นเด็กอ่อนที่สุกสนมากนนะ่หรือเป็นอะไรนะเป็นวัยเด็กกันนะสิบปีแรกเนี่ยจนถึงสมัยนี้ก็จนถึงปฐมเท่าไหร่สิบปีนี้ปฐมะถมปฐมสองหรือปฐมสาม ประมาณปศป .5 เนาะสิบปีนี้เป็นสิบปีที่สุขสน่ะนะตั้งไม่ค่อยอยู่ง่ายๆมีความสนุกสนานสุขสนดูบัวเป็นตัวอย่าง <c oughs> วัยนั่นแหละกำลังโอ้ยสุขสุขสนน่าดูเลยส่วนยี่สิบปีเอสิบปีถัดมาก็คือตั้งแต่อายุสิบเอ็ดไปจนถึงยี่สิบก็เป็นวัยที่เรียกว่าคิดดาทศกะ เป็นเวลาที่เข้ามากไปด้วยความยินดีในการเล่นพวกนี้เล่นไม่รู้จักเบื่อเนี่ยนะมีความเพลดิดเพลินอน้ยดึกเดินขนาดไหนก็ไม่เบื่อหน่ายในการเล่นไม่เบื่อหน่ายในการเที่ยวไม่เบื่อหน่ายในความเพลดิดเพลิน อ, อยากรู้อยากเห็นเต็มไปหมดเลยส่วนวันณัทสกาก็คือยี่สิบปีผ่านไปเนี่ยก็คือว่าเป็นผิวอวัยแห่งผิวพังเนี่ยนะ วันนันก็คือผิวพรรณส้วดทรงช่วงอายุ 20-30 ก็ถือเป็นวัยที่สวยสดงดงามเนี่ยนะเพราะว่าผิวพรรณของเขาถึงความสมบูรณ์ส่วนอายุ 30-40 เรียกว่าพระทศกะหมายความว่าช่วงนั้นกําลังและเรี่ยวแรงของเขาถึงความสมบูรณ์เป็นคนที่มีกําลังมากทํางานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเนี่ยนะทำงานหามรุง่งหามค่ำเลยซ้ําไป อายุช่วงสาสิบถึงสี่สิบเนี่ยนะส่วนสี่สิบถึงห้าสิบนี่ก็ชื่อว่าปัญญาทัศกะในช่วงเวลานั้นปัญญาของเขาเป็นธรรมชาติตั้งมั่นดีได้ยินว่าแม้สำหรับคนที่มีปัญญาสามอยู่โดยปกติปัญญาแม้นิดหน่อยย่อมเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานั้นนั่นเทียวคือช่วงนี้ถือว่าประสบะการณ์ของชีวิตมีเยอะแล้วนะก็ทำให้ฉลาดขึ้นช่วงอายุคนห้าสี่ถึงห้าสินี่นะ เป็นช่วงที่มีสติมีปัญญาสั่งสมประสบะการณ์ชีวิตเอาไว้มากทั้งโดยการฟังโดยการครบคนโดยการเกี่ยวข้องกับคน น, นะด้วยหลายลอย่างก็ทําให้มีปัญญาคาว่ามีปัญญาที่สุดในชีวิตอ่ะนะในชีวิตคนนั้นนะห้ามไปแข่งกับคนอื่นหมายความว่าตัวของเขาก็ฉลาดที่สุดในเพราะว่าคําว่าฉลาดไม่ใช่จําอะไรแม่นแต่หมายถึงว่ารอบรู้ในเหตุการณ์ขึ้นอะไรขึ้นเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจอะไรมาก ส่วนอายุห้าสิบถึงหกสิบเนี่ยนะเรียกว่าหานิทัศกะเป็นเ ว, เ, เวลานั้นเป็นเวลาอะไรยินดีในการเล่นผิวพันธุ์กําลัง น, นะนะคือไอความต้องการจะเล่นผิวพันธุ์ก็หมดกําลังก็หมดปัญญาก็เสื่อมลงเสื่อมลงนะนะวันห้าห้าสิบถึงหกสิบนี้ก็ชักช้าลงแล้วสติปัญญาก็ช้าลงพละง ก, กาลังเรี่ยวแรงก็ช้าลงแล้ว นี่ๆหน่อยๆก็เหนื่อยนี่หะส่วน 60-70 เขาเรียกว่าปรับภารทัศกะหมายว่าอัตภาพของเขาเนี่ยมีอันโน้มไปข้างหน้าก็คือดูทาท่าเหมือนเดินก้มมากขึ้นที่ไหนได้มันโน้มแล้วนะเพราะมันแก่เต็มทีแล้วนะนะก็เดินคือคือพวกนี้จะเดินโค้งไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งส่วนอายุ 70-80 เขาเรียกว่าวังกะทศกะเวลานั้นอัตภาพของเขามีอันโค้งงอเหมือนหางไถ วังกะก็คือหางไขนะั้นมันโค้งอะนะตัวจะโก่งนิดๆสว่วนอายุแปดสิบถึงเก้าสิบเรียกว่าโมมูหะทัศกะเขาเป็นชีวิตที่ลุ่มหลงย่อมหลงลืมแม้แต่ละสิ่งที่ทำเอาไว้แล้วก็มีโยมอยู่คนนะึงอายุประมาณแปดเก้าสิบเนี่ยนะเก้าสิบไปแล้วเนี่ยเขาเป็นคนแก่ที่บ่นมากบ่นว่าลูกหลานไม่สนใจเขาเลยไม่ให้เขากินข้าวเลยเพราะงั้นเพิ่งยกกับข้าวออกไปยกยกเนี่ยตอนหน้าเนี่ย เขายกออกไปเสร็จก็บอกว่าเขาไม่ให้กินข้าวเลยเนี่ยปล่อยเลี้ยงทิ้งทิงว้างๆเหอนนะพอเขายังไม่ให้กินนะบอกกินแล้วก็ยังมาเอามายัดเยียดกันอีกอะไระเพิ่งกินไปหยกๆเมื่อกี้นี่เองนะก็กลายเป็นอย่างนั้นอมีอยู่จริงนะตอนนี้ก็ตาแต่ละนะก็พออายุมากๆเข้าก็หลงหลงลืมลืมจำอะไรก็ไม่ได้นี่นะส่วนเก้าสิบถึงร้อยปีก็เรียกว่าเป็นอะไรสยนตัศกะ มากไปด้วยการนอนเนี่ยนะลูกก็ไม่ไหวแล้วนะแต่ก็สมัยนี้ดีหน่อยยังมีรถเข็นยังพอเข็นไปไหนมาไหนได้บ้างนะแต่ว่าโดยมากแล้วก็อายุประมาณร้อยปีนี้ก็มากด้วยการหลับการนอนทำอะไรก็ไม่ได้นะในทศกัทั้ง1ิบนั้นพระโยคีประสงค์จะยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัย โดยเกี่ยวกับทศกะเหล่านี้ย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในทศกะ r แรกยังไม่ทันถึงทศกะที่สองก็ย่อมดับไปในทศกะ r แรกนั่นแหละเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นไปในทศกะ r แรกนั้นจึงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นช่วงสิบปีที่หนึ่งก็ไม่ถึงสิบปีที่สองใช่ไหมชีวิตในสิ่งนั้นอนั้นก็สิ้นไป แล้วก็ชีวิตบางคนเนี่ยนะวัยแรกวัยเด็กเนี่ยป่วยบ่อยมาก น, นะช่วงตั้งแต่เกิดมาจนถึงประมาณสิปีเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่ป่วยบ่อยไม่สบายบ่อยเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็เป็นไผ่เดี๋ยวก็ท้องอืดเดี๋ยวก็ท้องเฟอ้อเป็นต้นเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันชีวิตในวัยนั้นก็ไม่ใช่จะสบายเสมอไปถ้ายิ่งเด็กโบราณด้วยแล้วเนี่ยรุ่นก่อนๆที่ทางการแพทย์ไม่ค่อยเจริญเนี่ยเด็กในวัยนั้นถือว่าตายมากนีนะ มันสิบปีช่วงสิบปีแรกนะี่ก็ถือว่าไม่เที่ยงแต่ว่าชีวิตก็ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ใช่ไหมเต็มไปด้วยความเจ็บป่วยบางทีก็เล่นซุกซนเล็กตัวเล็กคนหนึ่งเป็นลูกของคนที่รู้จักกันนะ่ยนะมันขี้โนมากเลยเนะี่ยเล่นขึ้นไปไต่บนกิ่งไมยมันก็ตกมาขาหักเลยแขนหักเลยนะคือวัยเด็กเนี่ยนะมันก็เป็นทุกข์เพราะมันก็เป็นทุกข์แบบเด็กอ่ะนะ ทุกแบบเด็กทุกอยากได้ของเล่นทุกทางกาย เ, าเดี๋ยวก็บาดเจ็บเดี๋ยวพิการมันใครถ้าช่วงสิบปีแรกเนี่ยจะแผลเป็นเต็มตัวไปหมดเลยนะนจะพิกคงพิการจะอะไรก็ในช่วงช่วงนั้นๆันั่นแหละเพแล้วก็ไม่มีใครมีอํานาจด้วยไปจับวางอจงสงบจงนิ่งจงสบายจงยาป่วยยาไข้สุขภาพแข็งแรงอย่างเดียวก็ไม่มีใครมีอํานาจทําอะไรได้มันสิบปีแรกนี่ก็ถือว่าเป็นสิบปีที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะ ไม่เที่ยงเพราะว่าสิบปีนั้นก็ผ่านไปเป็นทุกว์าะสิบปีนั้นก็มีความเจ็บความป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ไหลเข้ามาแล้วก็ไม่มีผู้ใดมีอํานาจอะไรในชีวิตเหล่านั้นเลยส่วน10ปีที่สองสิปีที่สองก็คือวั น, นทัศกาเนี่ยนะก็อขออภัยคิดดาทศกะเป็นวัยที่สนุกสนานในการเล่นนั้นย0ิเอ่อสิปีที่สองก็ไม่ถึงสิปีที่3หมายความว่า 20- สิถึงสา ก็ไม่ถึงเอ่อสิถึงยีก็ไม่ถึง1 0บถึงเอ่อยีถึงสามสินะฮสิสิ 10, 10ปีที่2คือตั้งแต่อายุสิขวบถึงยีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเพราะว่าวัยเหล่านั้นก็เปลี่ยนใจวัยเหล่านั้นก็ผ่านไปสิ้นไปคือวัยแบบนั้นเคือเรียกอะไรเรียกวัยรุ่นใช่ไหมไวัยที่กําลังรุ่นวัยที่คึกขนองวัยรุ่นวัยคึกขนองถ้าเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็หัวแตกกันประจําอย่างเงี้ยนะ เป็นวัยที่ทะเลาะเบาะแหวงสูงวัยที่ตียิงรันฟันแทงกันเป็นวัยที่เบิดมอเตอร์ไซค์เป็นต้นเนี่ยนะเป็นวัยที่ก่อกวนสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยซ้ําไปและตัวเขาเองเขาก็เดือดร้อนด้วยนะตัวเขาเองก็เดือดร้อนร้อนทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจกีฬาก็กลุ้มรุ ม, รมยิ่งวัยรุ่นสมัยนี้ก็ถ้าติดยาด้วยก็ยิ่งชีวิตที่แสนจะทรมานเนี่ยนะจะต้องติดยาเสพติดอะไรเป็นต้นท่า น, นชีวิตของวัย สิบถึงยี่สปีนี้ก็เป็นวัยที่เต็มไปด้วยความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนั้นแล้วจะต้องเรียนจะต้องศึกษาจะต้องสแสวงหาความรู้หาประสบะการณ์ที่นี่ประสบะการณ์โดยมากมันไม่ค่อยชอบหาประสบะการณ์ที่ดีไปหาแต่ประสบการณ์ที่สร้างความเดือดร้อนปวดหัวให้กับพ่อแม่มนัพ่อแม่คนใดที่มีลูกวัยอายุสิบถึงยี่สิบนี่ก้องกินไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยจะหลับเลยแหละทั้งจะมีลูกชายก็ตามมีลูกสาวก็ตามเธอะ ก็กินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับเป็นห่วงกังวลไม่รู้ว่าจะเรียนจบหรือไม่จบเนี่ยนะก็คอยเป็นห่วงคอยเป็นใ ย, ยคอยเดือดร้อนยอมคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเนี่ยนอนคือวิตกกังวลมากเลยสมมติว่าปกติลูกเขาจะกลับมาถึงบ้านห้าหกโมงเย็นใช่ไหมบางทีทุ่มผ่านไปสองทุ่มผ่านไปลูกไม่กลับนี่แม่เดือดร้อนมากเนี่ยนะ เดือดร้อนห่วงไม่รู้จะไปยังไงโทรศัพท์มาบอกสักคำขอใหม่มีอะไรไม่มีก็เดือดร้อนและก็ทุกข์อีกอย่างหนึ่งนะตัวลูกอีกก็ทุกข์อีกเหมือนกันไม่สบายใจไม่กล้าเข้าหาพ่อแม่มีปัญหาอะไรก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่มันก็ทุกข์ของลูกอีกอย่างหนึ่งทุกข์ของผู้ดูแลผู้ปกครองก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะมันทุกข์จริงๆเลยนะเครียดเลยแหละนะไม่เที่ยงด้วยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตา พ่อแม่บางคนเนี่ยย้ายบ้านย้ายช่องเลยนะเพราะลูกไปเจอสังคมสิ่งแวดล้อมที่ทําท่าจะใกล้ยาเสพติดเกเรกระตุงขึ้นมาก็ต้องพ่อแม่ก็เดือดร้อนอีกละดีไม่ดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยเธอตามใจแต่ลูกก็เธอนี่ไม่เคยสนใจลูกก็<笑><笑><笑> น, ะ, นะทะเลาะกันเรื่องลูกลนะลูกฟังพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะลูกก็เดือดร้อนอีกไปหันไปพึ่งยาเสพติดดีกว่าวก็เลยเป็นที่มาของความวุ่นวายเรียนหนังสือก็ไม่จบเป็นต้น ทนี้ยี่สิบปีที่20ี่ปีที่สามคือขออภัยสิบปีที่สามคืออายุยี่สิถึงสาสิบก็ต้องเดือดร้อนนะ น, นะบางพวกที่ยังเรียนหนังสือก็ยังเรียนไม่จบนะบางพวกก็เริ่มประกอบทํามาหากินและบางพวกก็เริ่มเข้าสู่วัยที่จะต้องสแสวงหาคู่ครองก็ไปเดือดร้อนนะนะก็ไปเดือดร้อนเรื่องนั้นอนะ่สะสรุปว่ามนุษย์นี่เป็นไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเดือดร้อนสิ่งนั้นจนได้หรือไปยุ่งกับสิ่งใดได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งนั้นมาจนได้ ไปยุ่งซะจนเดือดร้อนได้รับคนอื่นก็มายุ่งซะจนเดือดร้อนก็เป็นอะนะยี่สิบถึงสามสิบก็เป็นวัยที่เดือดร้อนเป็นวัยที่บางทีก็คัดคนครบไม่ค่อยเป็นบางทีก็เอาถือเอาแต่ใจตัวเองนึกว่าตัวเองเรียนมาเยอะมีความรู้มีความสามารถก็เลยไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะก็ทําอะไรก็เอาแต่ใจตัวเองเสร็จแล้วคนที่เอาแต่ใจตัวเองอย่าคิดว่าเขาไม่ทุกข์นะคนที่คอยให้คนอื่นตามใจนะคนนั้นอาจจะทุกข์กว่าคนที่ตามใจด้วยซ้ําไป เพราะว่ามันจะต้องคอยอะไรคอยวางมาดวางอะไรให้คนอื่นเขาคอยเอาเอกเอาใจคอยดูแลจริงอะถ้าไม่มีใครดูแลคนนั้นเครียดมากนะเครียดที่ไม่คนมีไม่มีคนมาเอาเล่อเอาใจใส่มาดูแลอั้นชีวิตของคนที่อยู่ในวัย2 0่สถึงสาก็เดือดร้อนแบบระดับนั้นเนี่ยนะจะต้องบางคนในช่วงนั้นก็เริ่มมีครอบครัวกันแล้วอย่างคนไทยเนี่ยนะอายุยี่สิบถึงสาก็มีครอบครัวบางคนก็เริ่มมีลูกเล็กเด็กแดงกันขึ้นมาแล้ว ก็ตัวเองก็เดือดร้อนก็ต้องไปดูลูกเล็กเด็กแดงอีกแล้วก็ช่วงวัยที่กําลังทํางานด้วยกําลังทํามาหากินด้วยนะแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยผิดปกติด้วยซ้ําไปนะเราทำงานเหนื่อยแล้วถ้ายุ่งสามสิบถึงสี่สิบล่ะลูกก็เริ่มโตขึ้นตัวเองก็อายุเริ่มมากขึ้นนะใช่ไหมมันก็วัยเหล่านั้นก็จะสิ้นไปแต่แม่ กาเลี้ยงลูกจะโตขึ้นมาแล้วลูกแต่ละคนเนี่ยนะคนที่อยู่ในวัย 30- มสิบถึงสามสิบถึงสีก็เดือดร้อนเพราะจะต้องไปเอาเด็กพวกเด็กๆเล็กๆเนี่ยมาเลี้ยงดูมันก็เด็กก็คือเด็กวันยังค่ําผู้ใหญ่เหล่านี้ก็ยังเอาแต่ใจตัวเองอยู่นะก็ไม่ค่อยเข้าใจเด็กพันพ่อแม่ก็เดือดร้อนสรุปลูกก็เดือดร้อนแล้วก็ผู้ชายอายุระดับ 30- มสถึงสีเป็นต้นนี้ก็เริ่มเบื่อที่บ้านและก็เริ่มเรื่องมันก็เริ่มเยอะขึ้นเข้า เดิมสุรามีไรคบเพื่อนคบฟุ้งเล่นการพนันอยากรวยทางลัดกลับมาบ้านก็ถูกเมียด่าก็ทะเลาะบบาแวงกันลูกก็มีปัญหาอีกแล้วนั้นคนก็ขาดเมตตาต่อกันและวกันนั้นชีวิตในวัยนั้นก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเนี่ยนะผัวก็คอยห่วงเมียเมียก็คอยห่วงผัวทําไมกลับบ้านผิดปกติก็เดือดร้อนอีกสรุปว่าวัย3 0มสถึงสีก็เดือดร้อน4 0่สถึงห้ก็เดือดร้อนอีกแบบนั้นอีกเนี่ยนะ เพบางคนเนี่ยบางแผนชีวิตผิดพลาดมาหนี้สินก็ท่วมทับมาเนวันนั้นก็คิดยังไงจะหมดหนี้หมดสินชาตินี้หมดหนี้หมดสินชีวิตก็มีความสุขแล้วเนี่นยนะอะไรเดือดร้อนเรื่องการทำมาหากินเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันบางทีก็สึกชิงมรดกอาจจะเกิดช่วงนั้นเน่ยนะสาิบถึงสี่ 40, เป็นต้นเพราะพ่อแม่ก็มรนังไปแล้วลูกหลานก็ทิ้งไว้ซัพย์ไว้ไก้อนหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งลูกหลานก็ทะเลาะกัน แต่ก้อนนั้นอะที่เป็นสมบัติของพ่อแม่เนะพี่น้องก็มองหน้ากันไม่ติดลูกก็เริ่มไปมีปัญหาบางคนเนี่ยอายุสี่ิขึ้นไปห้าสิก็เริ่มมีหลานนะใช่ไหมชีวิตมันก็กระเทือนอะนะจามีลูกไม่พอไปมีหลานแล้วไปยุ่งกับการเลี้ยงหลานอีกกระวนสารวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันชีวิตในช่วงสี่ิบถึงห้าิก็เดือดร้อนแบบคนสี่สิบถึงห้าสิบคนอายุห้าสิบถึงไปหาหกสิบก็เดือดร้อนในระบบนั้นเอง อันชีวิตที่โดยเฉพาะ5 0าสถึงหกเนี่ยนะก็เริ่มกลายเป็นคนแต่เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยนะเอาแต่ใจตัวเองก็ด้วยอำนาจว่าร่างกายมันแก่ไปมากอะไรไปมากมันไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วเพราะถือว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วใช่ไหมไปถึงครึ่งหนึ่งคือมันเป็นครึ่งหนึ่งที่มีไม่ได้ดีเท่าเดิมเหมือนอย่างว่ารถมีอายุใช้งานสมมติมีรถคันหนึ่งมีอายุใช้งานร้อยปีเนี่ยนะพอถึงอายุใช้งาน50ปีไปแล้วเป็นยังไง อะไรแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันเริ่มผลเริ่มพังเริ่มมีสปัญหาเริ่มใช้งานไม่ดีแล้วมนุษย์ก็ลักษณะเดียวกันสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวส่วนนู้นก็ป่วยส่วนนี้ก็ไม่สบายเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เป็นไขสุขภาพจิตก็ไม่ค่อยดีก็เดือดร้อนไปอีกอย่างหนึ่งพอหกสิบไปแล้วก็เกษียณไปแล้วก็เดือดร้อนแบบคนเกษียณคนที่บางคนเนี่ยอายุหกสิบไปแล้วไอ้ความที่ตัวเองวางแผนชีวิตไว้ผิดพลาด ก็ลองทํามาหากินจนตายเนี่ยนะจะต้องเดือดร้อนห า, าไม่ได้เก็บสะสมทรัพย์เอาไว้แต่คราวเป็นหนุ่มเป็นสาวพอแก่มาก็เดือดร้อนอนะลำบากไปเที่ยวหาทรัพย์บางคนก็เลีเ้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ดีไม่ให้เขามีความกระตันอยู่กระตะเวทีลูกก็ไปอย่างหลานก็ไปอย่างตัวเองก็ทํางานไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องโดยที่ไม่มีใครมาสนใจเลยนะก็อยู่แบบแบบคนพิการ แบบคนพิการอย่างหลายๆแห่งที่ตอนนี้ได้ข่าวนะเพราะว่าลูกหลานเขาไม่มีใครกลับมาเลี้ยวมาดูไม่ค่อยมีใครมาสนใจแล้วก็คนเหล่านี้เองพื้นฐานความที่ตัวเองห่วงแต่เรื่องลูกเรื่องหลานห่วงจนไม่ดูแลพ่อแม่ไอ้พวกลูกหลานมันก็คิดเหมือนกันกันกบพ่อแม่นั่นแหละก็เลยไม่ไม่สนใจเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ละคนก็ไปทํามาหากินของตัวของตัวไปลูกก็อยู่จังหวัดหนึ่งลูกชายก็อยู่จังหวัดลูกสาวก็อยู่จังหวัดพ่อแม่ก็ ก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่งะนะก็ไม่ค่อยมีใครมาสนใจบางครั้งก็ส่งสตังค์มาให้บ้างไม่ส่งมาให้บ้างะนะตัวเองบางคนก็ป่วยกระสอบกระแทกอยู่นั่นแหละไม่มีลูกดูแลเอาใจใส่อย่างบางคนนี่ก็ทรมานมากร่างกายเจ็บป่วยบางคนมีลูกลูกก็ด่าเอาด่าเอาอะนะเป็นวัยที่ลูกเจริญเติบโตลูกไม่สนใจเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ด่าพ่อด่าแม่นั่นแหละดีไมด่ดีก็ใช้ให้มาเลี้ยงลูกตัวเองใช้ให้พ่อแม่นั่นมาเลี้ยงช่วยเลี้ยงหลานตัวเองอีก อันนั้นเดือดร้อนเลี้ยงตัวมาไม่พอไปช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงอะไรต่อไปอีกอันนั้นไม่มีจบมีสิ้นอันแล้อายุแปดอายุ6กเจ็ดหกถึงเจ็ก็เดือดร้อนแบบคนอายุ60ถึงเจบอีกนะลำบากสุขภาพก็ป่วยๆค่อ ย, อ ย, ยๆเวียนเข้าออกแต่โรงพยาบาล น, นี่แหล ะ, หละเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลกินยาแทบจะพอๆกับอาหารไปแล้วนะั อาหารก็คือยายาก็คืออาหารนะสกัดเอาแต่สารอาหารขึ้นมามากขึ้นนะแก้วแวนเงินทองที่สะสมมาก็จ่ายค่าย า, าไปเกือบหมดนะแล้วก็ถ้าเจ็ดสิบถึงแปดสิบล่ะสุขภาพก็เริ่มแย่แล้วนะอะไรก็เริ่มอืดเริ่มเชื่องช้าโดยเฉพาะสติปัญญาที่ไม่เคยสั่งสมอะไรขึ้นมาเลยสมองก็เริ่มไม่ค่อยทํางานแล้ว เริ่มเฉื่อยช้าก็บอกว่าคนสูงอายุมากๆหน่อยนะเจิบเป็นโตหเจ็ิไปแล้วนี่ควรศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศเอาไว้ให้ความคิดได้ใช้ไปเรื่อยๆไม่งั้นสมองมันฝ่ออย่างของเรานี่ก็มาเรียนธรรมะนะเรียนธรรมะคงสมองไม่ฝอรหรอกเพราะว่ามันใช้สติใช้ปัญญาใช้ความกําหนดจดจําทําให้ความจําดีขึ้นหลายคนก็บอกนะว่ามาสวดมนต์มาเรียนพระธรรมเนี่ยสติปัญญาดีขึ้นเนี่ยนะเพราะไม่งั้นมันก็ซึมซึมเ ซ, ซ่อๆไปจําอะไรก็ไม่ค่อยได้ เบลอไปอะไรไปสติปัญญาก็ชักไม่ค่อยดีกําหนดจดจําอะไรก็ไม่ค่อยได้จําเรื่องใหม่ๆนี่จําไม่ได้จําได้แต่ความหลังนะนะลิกได้ความหลังสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยนั้นก็จำความหลังแล้วมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมก็ถือว่าราลึกถึงแต่ความชั่วที่ตัวเองเคยไปทําตามที่ต่างๆนั่นแหละเพราะว่าคนที่เกิดมาถ้าสมัยวัยต้นๆไม่ได้ทําดีไว้นี่ น, ะนจะไปนึกบุญได้ยังไงใช่ไหม ก็นึกเตรงนั้นไปฆ่าสัตว์ตรงนี้ไปลักทรัพย์ตรงนั้นไปประพฤติผิดในกรมอย่างบางคนนี่มีความสุขมากที่ได้ตัวเองเล่าว่าเออเคยไปประพฤติผิดในการมตามที่ต่างๆเนี่ยนะบางคนก็เป็นลักษณะนั้นก็มีทีนี้ถามว่าถ้าจุติระหว่ังนั้นจะไปไหนกันเนาะไนะพบใหม่ควรจะเป็นที่ใดกันอานะนะยุเจ็ดสิบปดสิบเกบสุขภาพก็ไม่ดีแต่จริงๆก็คือนักโทษประหารแล้วแหะตั้งหกสิบเจ็สิบปดิบไปก็เป็นนักโทษประหาร แต่ว่าจะประหารในในตอนไหนเท่านั้นเองงั้นชีวิตเหล่านี้เนี่ยนะอ่าสิปีที่หไม่ถึง10ปีที่สองไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาอ่านะก็ทุกแบบอะไรทุกแบบคนอายุ10ปีเนี่ยนะอายุยี่สิบอายุ1 0บถึงยีปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเดือดร้อนแบบผู้ที่อายุ1 0บถึงยีปีคนที่อายุ2 0่สถึงสาปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนความลําบากนะทุกแบบคนอายุ2 0่สถึงสาคนอายุ 30- มสถึงสีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะก็เดือดร้อนแบบคนวัยนั้นนะอายุสามส่สิบถึงห้ก็เดือดร้อนเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็มีความทุกข์ความยากความลําบากความไม่สบายใจในวัยนั้น5 0าสถึงหกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะมันมีความสิ้นไปเสื่อมไปดับไปตามตามวัยไป หกสิบถึงเจ็ดสิบก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะว่าก็มีความทุกข์ความเดือดรอ้อนนะนะเจ็ดสิบถึงแปดสิบก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาในห้องเรานี้แปดสิบกี่คนเนอะเนาะป้าจารย์นายได้น ะ, ะจนจนจนันะจนพัเกือบ <80 S 2> แปดสิบแหละไม่ได้มาต้องมาวันอาทิตย์วันนี้ไม่ได้มายอมที่อยู่นนท บ, บุรีเนี่ยนะแปดสิบแปดสิบเท่าไหร่นะ 82นยนะก็ยังนั่งรถเมย์มาฟังธรรมอยู่เลยเอ 84, นะ่84ปนะปบสี่นั่งรถเมย์มาฟังธรรมออกมายังนึกนโอ้โหแข็งแรงมากนะสายบุญเก่าไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ไม่เคยทรมานสัตว์เป็นต้นเนี่ยทำให้สุขภาพดีแล้วถ้าอายุ8ปดสิบถึงเก้าสบล่ะอ๋อเนี่ก้าสไปถึงร้อยล้นะไม่นานแนนะนะนับถอยหลังเก7ปดเจ หกห้าสสสองหนึ่งจุติปฏิสนธิเลยกันนี้ก็บอกว่าอายุเริ่มเจ80สิดสิไปแล้วนะคิดถึงอะไรมันป่วยไปทุกเรื่องเลยนะคิดถึงหัวก็ปวดหัวคิดถึงแขนก็ปวดแขนนึกถึงขาก็ปวดขานึกถึงท้องก็ปวดท้องเลยนะเ น, นื้อตรงไหนมันก็ปวดไปหมดเพราะว่าร่างกายมันมันแย่แล้วนะมันเสื่อมไปแล้วทุกขากายวิญ ญ, ญาณเจริญเติบโตเอาโตเอาแต่สุขขากายวิญ ญ, ญาณหายไปหายไปนะไ นอนก็ไม่ค่อยหลับเริ่มคิดมากขึ้นแล้วนะเริ่มคิดมากขึ้นเขาบอกว่าอายุหกสิบเจ็สิบไปแล้วไม่ค่อยหลับค่อยนอนแลเนี่ยนะนอนก่อนี้นิดหน่อยตื่นขึ้นมาต่อเนี่ยนะหลับก่อนนี้นิดหน่อยไปแค่นั้นแหละการทำไม่เรียบศึกษาธรรมะเอาไว้ต้นต้นเอาไว้ให้ดีเนี่ยนะอายุมากมากขึ้นจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรนะให้จิตเป็นไปกับอะไรเพราะนั้นเราก็ถ้าใจเป็นไปกับอกุศลแล้วก็ทําบาปทากรรมให้แกตัวเองอย่างมากเลย มันท่องพระสูตรไว้สักสองสาสูตรก็ยังดีอ่ะนะคิดอะไรไม่ได้ก็คิดถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วคิดถึงพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณมันก็ทุกๆสิบปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วก็คนในโลกนี้มีให้ได้ยินหมดเลยนะมีให้ได้ยินไหมแต่ชีวิตของเราก็ไม่พ้นสิ่งเหล่านี้หรอกนะก็สิปีที่หนึ่งไม่ถึงสิบปีที่สองสิปีที่สองไม่ถึงสิปีที่สาม สปีที่สามไม่ถึงสิปีที่สี่สิบปีที่สี่ไม่ถึงสิบปีที่ห้าสิบปีที่ห้าไม่ถึงสิบปีที่หกสิบปีที่หกไม่ถึงสิบปีที่เจ็ดสิบปีที่เจ็ดไม่ถึงสิบปีที่แปดสิบปีที่แปดไม่ถึงสิบปีที่เก้าสิบปีที่เก้าก็ไม่ถึงร้อยปีนะถึงร้อยปีก็อาจจะเสดบ้างอนะร้อยบางคนก็ร้อยหนึ่งก็ตายบางคนก็ร้อยสองก็ตายกษัตริย์อังกฤษใช่ไหมฉลองวันครบร้อยปีที่อะไร 1 0อปีพอดีหรือร้อปีร้อยกับร้อยหนึ่งปีใช่ไหมันนั้นหนึ่งร้อยหนึ่งปีไปฉลองวันเกิดก็เลยตายเลยเนี่ยนะก็บางคนก็ร้อยหนึ่งปีตายบางคนก็ร้อยสองบางคนก็ร้อยสาบางคนก็ร้อยสี่แต่ร้อยสิบนี่หายากเนี่ยนะร้อยี่สิบก็มีกลุ่มพระอ น, น์นางวิสาขาร้อยหกสิบก็มีใครพระภาคุลเนี่ยนะที่เหลือก็แทบไม่ได้ยินแล้วว่าจะมีอายุยืนกว่านั้นอีก มันโดยมากก็ตายเกลี้ยงนั่นแหละถึงขนาดอายุร้อยหกิก็ตายอายุสองร้อยก็ตายชื่อเหรอมันก็เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีแต่ว่าก่อนที่จะตายมันก็ตายจากวัยแต่ละไวัยไปเรื่อยๆตายจากวัยตายจากวัยต้นไปหาวัยกลางตายจากวัยกลางไปหาวัยปลายแล้วก็ตายจากโลกนี้ตายจากภพนี้ไปสู่ภพใหม่ความตายก็โคจรลังไลไปเรื่อย นี่ในข้อเจ็ดร้อยเก้าที่กล่าวถึงเอาร้อยปีนี้มาหารเท่าไรหารยี่สิบทุกๆห้าปีทุกๆห้าปีเนี่ยนะตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่คลอดออกมาถึงห้าขวบห้าขวบถึงสิบขวบสิบถึงสิบห้า 15ถึง 20, 20ถึง 25, 25ถึง30 30, ถึง 35, 35ถึง40ไล่ไปยงงร้อยปีพันก็แบ่งไปแล้วเป็น20ส่วนนะแล้วก็ยกขึ้นสู่ตรยลักษณ์โดยความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปที่แก่ไปตามวัยคือว่าพโยคีนั้นย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในชั่ว5ปีแรกก็ยังไม่ไม่ทันถึงชั่ว5ปีที่2ก็ย่อมดับไปในช่ว5ปีแรกนั่นแล เพราะฉะนั้น5ปีแรกก็ไม่ถึง5ปีที่สองนั่นอายุ1 5ถึงปีก็เสื่อมไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปวนไปในช่วง1ถึงหปีแรกนั่นแหละหถึงปีที่สองก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปแปรปวนไปดับไปไม่ถึง10อายุ 10-15 ใช่ไมอายุ1 0 1ถึง้ก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปหมดไปในช่วง 10-15 ึง้นั่นแหละ อันนั้นิบห้าถึงยี่ก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปไม่ถึงยี่สิอันยี่ิบก็ไม่ถึงไล่ไปไม่ถึงยี่5ห้ายี่ห้าก็ไม่ถึงสาสิบสิบก็ไม่ถึงสามสิ้าสสิบห้าไม่ถึงสี่สี่ิบไม่ถึงสี่สห้าสี่ิบห้าไม่ถึงห้าสิบห้าสิบไม่ถึงห้าสิบห้าห้าสิบห้าไม่ถึงหกสิบหสิบไม่ถึงหกสิห้าหกส้าไม่ถึงเจ็ดิเจ็สิบไม่ถึงเจ็ดสิห้าเจ็สิบห้าไม่ถึง 80% 8สไม่ถึง5ปดสไม่ถึงเ0 90สไม่ถึง95 95ไม่ถึงรก็ไม่ถึงรนะ้นะเสื่อมสิ้นสลายไปแปรปรวนไปทุกๆ5ปีคืออายุมากขึ้นเนี่ยจะเริ่มรู้ว่ามันเสื่อมทุกๆ5ปี5ปี 5, ปต้นก็ไม่เหมือน5ปีหลังเลยสุขภาพนี่มันเปลี่ยนไปเยอะร่างกายก็เปลี่ยนไปจิตใจก็แปรเปลี่ยนไปทุกๆ5ปีทุกๆ5ปีก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป นี้ต่อไปอีกชีวิตเอาเท่าไหร่มาหาร น, นะชีวิตทุกๆห้าปีนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาทีนี้ก็เอาหนึ่งอันนั้นในนั่นบอกว่าทุกๆสี่ปีนะชีวิตทุกๆสี่ปีตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา สี่ปีถึงแปดปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกนะเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแปดปีถึงสิบสองปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิบสองก็ไม่ถึงสิบหกปีไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิบหกก็ไม่ถึงยี่สิบปีไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิบหกอ่ะยี่สิบก็ไม่ถึงยี่สิบสี่ปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็น อนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดายี่สี่ก็ไม่ถึง28่สิปดไปเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย8สิบก็ไม่ถึงส2 3สองสาิบสองก็ไม่ถึงสา36ิหกสหกไม่ถึงสี่สิบสี่สิบไม่ถึงสี่4ิสี่สี่บี่ไม่ถึงสี่8แปดี่ิบแดไม่ถึงห้าสิบสองห้าบสองไม่ถึงห้าิบหกห้าสิบหกไม่ถึงหกสิบหกสิบก็ไม่ถึงห4สิสี่หกสี่ก็ไม่ถึงห8 6ิดหิดก็ไม่ถึง 72็2บสองเดสิบสองก็ไม่ถึงเจ็6สิบหกเจ็ดสิบหกก็ไม่ถึงนะแปดสิบแปดสิบก็ไม่ถึงแปดสิบี่ปดสิบี่ก็ไม่ถึงแปดสิแปดปดสิบแปดก็ไม่ถึงเก้าสิบสองเก้าสิบสองก็ไม่ถึงเก้าสิบหกเก้าสิบหกก็ไม่ถึงร้อยปีร้อยปีก็ไม่เกินร้อยสี่ปีร้อยสี่ปีก็ไม่เกินร้อยแปด้อสิบหกแต่ว่าหายากเต็มทีนะก็ถามว่ารุ่นป้าเพนสีที่ที่อยู่กับไปไหนมากกว่ากันรุ่นเดียวกัน เปนผานอยู่หรือไปกับบ้านเก่ามากกว่ากันที่อยู่ใช่ไหมอ๋อห้าสิบห้าสิบก็เลยแล้วก็แสดงว่ารุ่นมีบุญมา ก, ก น, นะบางรุ่นแทบจะเหลือไม่กี่คนแล้วเนี่ยนะอายุไม่มากก็จริงแต่ว่าในเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยเหลือกันไม่กี่คนมันแล้วแต่แวดวงไหนสังคมไหนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกๆสี่ปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ทนี้ถ้ามาแบ่งทุกๆ3สามปีล่ะนะสามปีที่หนึ่งนะอายุตัองอันหนึ่งถึงหนึ่งไม่ก็ไม่ถึงสามปีสามก็ไม่ถึงหกปีหกก็ไม่ถึงเก้าปีเก้าก็ไม่ถึงสิบสองสิบสองก็ไม่ถึงสิบห้าสิบห้าไม่ถึงสิบแปดสิบแปดไม่ถึงยี่บเอ็ดย่ิบเอ็ดไม่ถึงอะไรย่สิบสี่ยิบสี่ไม่ถึงยี่8บเจ็ดยี่สิบดไม่ถึงสา3สิบสามสิบไม่ถึงสา3สบาสาสิบสาไม่ถึงสา3สิบกสาสิบกไม่ถึง 39 39เก uh, ้าสเก้าไม่ถึงสี่2ิบสองสี่ิบสองก็ไม่ถึงสี่สิห้าสี่สิบห้าไม่ถึงสี่8ิแปดสี่สิบแปดไม่ถึงห้าสิเอ็ดห้าสิบเอ็ดไม่ถึงห้าสิบสี่ห้าสิบี่ไม่ถึงห้าสิบแปดอ้ห้าบ็ดห้าสิบเจ็ดไม่ถึงหกสิบหิบไม่ถึงหกสิบสามหกสิบสาไม่ถึงหกสิบหกหกสิบหกไม่ถึงหกสิบเกไม่ถึงเจ็ดสิบเอดเจ็ดิสองเจ็ดบสองไม่ถึงเจ็ดสบห้าเจ็บห้าไม่ถึงเจ็ดิบแปดไม่ถึง แปก็ไล่ like ไปอย่างนั้นนะทุกๆ3ปีก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้เขาจะดูความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาทุกๆสาปีทุกๆ3ปีทุกๆ3ปีก็มีความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอันความไม่เที่ยงที่เปลี่ยนไปสิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปเต็มธรรมดาก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอย่างนั้นแล้วก็เป็ น, ques, ป น, นทุกเนี่ยนะทุกของทุกๆ3ปีนี้เปลี่ย um, นปัญหาเปลี masking, ่ยนไปเรื่อยใช่ไหม ทุกๆสปีความาไม่สบายกายความไม่สบายใจก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาทีนี้ถ้าทุกๆ2ปีล่ะทุกๆ2ปีรอยปีหาร50ใช่ไหมก็ทุกๆ2ปี2สอี่หกแ2ดสิบส2บสองสิด สามสิบสี่สามสิบหกสาสิบแปดสี่สิบี่ิบสองเป็นต้นไล่อย่างนี้ไปเรื่อยนะมันชีวิตก็เปลี่ยนทุกๆสองปีอันนะทั้งรูปทั้งนามทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในทุกสองปีก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันหนึ่งก็ไม่ถึงสองสองก็ไม่ถึงสี่สี่ก็ไม่ถึงหกหกก็ไม่ถึงแปดแปดก็ไม่ถึงสิบสิบก็ไม่ถึงสิบสองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาในทุกๆวัยเหล่านั้น นี่ถ้าทุกๆปีอ่ะนะปีที่อยู่ในครันก็ไม่เหมือนปีที่คลอดจากครันนะเด็ก1ปีก็ไม่เหมือนเด็ก2ปี2ปีก็ไม่เหมือน33ไม่เหมือน 4, 4ีไม่เหมือน55ไม่เหมือนหกพันอยู่ในครันก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแบบอยู่ในครันคลอดออกมาจากคันหนึ่งปีก็เป็นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแบบในช่วง1ปีเนี่ยนะสปี3ปีสปี5ปี6ปี7ปี8ปี10 20ี่ 45, ่สิบหหปรือ100ปีก็เหมือนกันอันการหมุนเวียนเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงของชีวิตทุกๆมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกปีเนี่ยแต่ละปีเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละแห่งไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปชีวิตของคนอื่นไม่ทราบนะของมาเนีโหเปลี่ยนแปลงทุกๆปีเพราะแต่ละปีเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้อยู่ที่เดิมไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งไปนะไปตั้งแต่เด็กนะ นนยิง่งโอ้ยพอพอเดินได้นี่ก็เริ่มไม่อยู่บ้านอยู่ช่องแล้วเริ่มไปนะไปนอนทุ่งนี้บ้างทุ่งโน้นบ้างหมู่บ้านนี้บ้างบ้านโน้นบ้างเราก็ไปเที่ยวตามบ้านญาติไปเรื่อยๆพอโตขึ้นมาไม่ใช่ญาติแล้วคันนี้ก็เริ่มไปแล้วโตออกมาหน่อยแล้วก็ออกบ้านนะคันนี้ก็ไม่แทบไม่กลับปีหนึ่งกลับสักครั้งหนึ่งสองปีกลับครั้งหนึ่งอะไรอย่างไงก็ไปพอบวชเข้ามาอกีกโอ้ยอยู่นานที่สุดสี่ปี คำว่าอยู่นานที่สุดนะประมาณเนี้ยแล้วก็ไปเรื่อยก็ไปโน่นไปนี่ไปเหนือไปใต้ไปออกไปตกก็ไปตามเรื่องตามราวไปมันก็เปลี่ยนไปทุกๆปีนั่นแหละนี่เราเปลี่ยนไปอยู่ที่ใดใช่ไหมอาหารก็เปลี่ยนไปสังคมสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งก็เปลี่ยนไปนนรูปของแต่ละปีแต่ละปีนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปตามอาหารตามอากาศตามสถานที่ตามถิ่นฐานตามน้ําตามดินตามลมตามไฟเนี่ยนะรูปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนรตากมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอย่างนั้นนั่นแหละ แต่ว่าที่มันไม่เปลี่ยนก็คือเดินไปหาชราและมรณะอันนี้ไม่เปลี่ยนก็เดินไปแก่เดินไปตายเกือบๆและอีกไม่นานเนะี่ยใครที่คิดว่าสังขารของตนเที่ยงจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นทุกขสัตว์ใช่ไหมเพราะทุกข์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายที่เที่ยงไม่มีหรอกหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปบางคนเนี่ยที่อางขบุรคราชการที่รับราชการเจริญเติบโตจริงๆเนี่ยย้ายทุกปีถ้าใครถูกดองอยู่ นานๆนี่แสดงว่าไม่เจริญเติบโตอะไรดังนั้นคนที่เจริญในวัฏะนี่ก็คือเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหมเพราะสังขารทั้งหลายก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปไม่ได้งไไม่ได้คงทนมั่นคงถาวรเพราะเป็นสิ่งที่อย่างนี้แหละไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งดังั้นชีวิตแต่ละปีแต่ละปีก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทีนี้ถ้าแบ่งปีหนึ่งเป็นสี่ฤดูใช่ไหม ฤดูอะไรนะฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนเพราะฉันรูปในฤดูฝนก็ไม่ถึงฤดูหนาวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ในฤดูหนาวนั่นแหละฤดูฝนนั่นแหละรูปในฤดูฝนก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดับไปสิ้นไปเปลี่ยนไปนันะไม่เที่ยงในอะไรในฤดูอะไรฤดูหนาวนั่นแหละรูปในฤดูร้อนก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ okay. mm ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดานฤดูฤดูร้อนนั่นแหละก็คือรูปในฤดูไหนก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเปลี่ยนไปในฤดูนั้นเช่นว่ารูปในฤดูฝนก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปในฤดูฝนนั่นแหละรูปในฤดูหนาวก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปในฤดูหนาวนั่นแหละ รอบในฤดูร้อนก็ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปในฤดูร้อนนั่นแหละเพราะสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละพันรือก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปในทุกฤดูกาลเนี่ยนะเรเปลี่ยนไปทุกฤดูกาลทีนี้ในหน้า122่ง้อันทุกๆฤดูนะทีนี้ในหน้า122ก็พูดถึงทุกๆ2เดือนน่ยนะทุกๆุสองเดือน ทางบาลีนี่ก็มีชื่อว่าวัฏฐานะนะนี่ชื่ออะไรวัฏฐานะสาระฤดูเฮมานตะฤดูศิสิระฤดูวสันตะฤดูคิมหะฤดูวัฏฐานะอันนี้ก็คือแบ่งตามฤดูทุกๆุสองเดือนนั่นเองอันถ้าพูดแบบโดยสรุปยอ่ยอๆก็คือวัยทั้งหลายที่เราสิ้นไปเสื่อมไปในทุกสองเดือนใช่หมทุกทุกสองเดือน วันสองเดือนแรกก็ไม่ถึงสองเดือนที่สองสองเดือนที่สองก็ไม่ถึงสองเดือนที่สามสองเดือนที่สามไม่ถึงสองเดือนที่สี่สองเดือนที่สี่ไม่ถึงสองเดือนที่ห้าสองเดือนที่ห้าไม่ถึงสองเดือนที่หกมีสองเดือนที่เจ็ดไหมปีใหม่ไปตั้งนานแล้วถ้าสองเดือนที่เจ็ดนัดปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะนะมันก็หมุนเวียนอ่ะนะแต่ละทุกๆุสองเดือนนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั่นแหละ ก็คิดดูนะถ้าสองเดือนแรกเหมือนสองเดือนที่สองนี่ก็แปลกใจมากเลยใช่ไหมเพราะจริงๆโครงการเปลี่ยนแปลงไปทุกกี่เดือนดีบางคนบอกทุกนาทีนั่นแหละ